พระเทวทัตเจ้าสักยะทั้งหพระองค์เทวทัตพัทธิยะอนุรุทธะภักขุกิมพิละและอานันทะอันว่าพระบ ร, รมศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับในพระเจโตวันมหาวิหารทรงปรารบซึ่งพระเทวทัตจำเดิมตั้งแต่บวชแล้วจนกระทั่งถูกแผ่นดินสู่ มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเจ้าสักยะหลายพระองค์ดังมีความพิสดารต่อไปนี้อันว่าตระกูลแห่งพระยาทั้งหลายมีแปดหมื่นได้ส่งพระโอรสออกบวชเป็นบริวารพระตถาคตเจ้าแต่ยังมีเจ้าสั ก, กยะอีกหพระองค์ยังไม่ออกบวชอันมีพระเทวทัตพัทธิยะอนุรุทธะพะคุกิมพิละและอนันทะเจ้าสักยะชื่อว่ามหานามะ ผู้ที่เข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะพระอนุชาผู้ละเอียดอ่อนสุขุมารชาตถามความสมัครใจว่าจะออกบวชหรือจะอยู่ครองราชสมบัติถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะต้องรู้เรื่องการทำไถวานและเก็บซึ่งข้าวในนาเจ้าอนุรุทธะไม่รู้แล้วซึ่งเรื่องดังกล่าวเพราะไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีด้วยผลบุญแต่อดีตชาติที่เคยถวายทานพระประเจกพุทธเจ้า พระนามว่าอุปาริธาในการแห่งคนเกิดเป็นบุรุษชื่อว่าอนนภาระตั้งความปรารถนาว่าอันความไม่มีขออย่าได้มีวิบากอันไหลออกด้วยกุศลกรรมนั้นได้บังเกิดแล้วในชาตินี้ด้วยฤทธิ์ของเทวดาทั้งหลายผู้คุ้มครองเมืองบรรดาลขนมอันชื่อว่าขนมไม่มีในถาดของคำเปล่านั่นเทียว ข้อนี้คือเจ้าอนุรุทธะเล่นกีฬาขลุกกับเจ้าสกยะทั้งหกส่งแพ้ขอขนมพระมารดามาเลี้ยงขอแล้วขออีกจนพระมารดาสั่งมาบอกว่าขนมไม่มีเจ้าอนุรุทธะว่านั่นแหละขนมไม่มีก็เอาเพราะไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีพระมารดาทรงรู้จึงเอาถาดเปล่าปิดด้วยถาดอีกใบหนึ่งให้มหาเล็กถือไปให้ด้วยคิดว่าความไม่มีคืออย่างนี้ แต่ด้วยวิบากรกุศลละกรรมในอดีตเทวดาผู้คุ้มครองซึ่งเมืองถ้าหากเจ้าอนุรุทธะพึงเห็นถาดเปล่าไซศีษาของเทวดาทั้งหลายพึงแตกเจ็ดเสียงดังนี้ครั้งนั้นเทวดากระทำแล้วด้วยขนมอันเป็นทิพย์ให้เต็มถาดแล้วเจ้าอนุรุทธะทรงคิดว่าตนเป็นผู้อันละเอียดอ่อนจากนุ่งผ้ากาสายะย้อมน้ำฝาด มีผมและหนวดอันปลงแล้วนอนบนเครื่องลาดหยาบทเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวชื่อว่าการบวชไม่อาจจักบวชครั้นอยู่ครองราชสมบัติพึงรู้เรื่องการทํานาแต่เจ้าอนุรุตรู้เพียงแต่ว่าข้าวสวยตั้งขึ้นในถาดที่เป็นทองเจ้ากิมพิละว่าข้าวตั้งขึ้นที่ชางเก็บข้าวเจ้าพัทยะว่าข้าวตั้งขึ้นที่มอข้าวจึงตัดสินพระไถยบวช อนวัติสักยะทั้งหตัดสินพระไทยบวชอันมีมหาเล็กชื่ออุบาลีซึ่งเป็นนายผู้สามาลาคือช่างตัดผมและแต่งพระองค์ออกบวช ด, ด้วยโดยอุบายให้อุบาลีบวชก่อนเพื่อให้เจ้าสักยะทั้งหลายได้ทำสามีจิต ก, กรรมกราบไหว้เพื่อละคลายมานะถือตัวตนครั้นบวชแล้วไม่นานพระปฏิยะได้วิชาสามพระอนุรุทธะ ได้จากสุอันเป็นทิพย์บรรลุอรหัตพระอานนท์ได้โสดาบันพระภคุและพระกิมพิลาบรรลุอรหัตส่วนพระเทวทัตบรรลุฌานได้แล้วซึ่งฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนฌานเป็นของอันต่ํำซามเพราะกิจอื่นที่พึงกระทํายังมีอยู่อีกแม้ไปบังเกิดบนพรหมโลกก็หลงไปและไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเพราะอายุ ก, กับยาวนานมากนักหนา ฌานต้องมีปัญญาประกอบเสื่อมง่ายไม่เป็นปัญญาและเป็นปริพโธดเครื่องห่วงกังวลเป็นอุปสรรคแก่การบรรลุธรรมลาบสการะเพ็ด ร, ร้อนและหยาบคายย่อมทำลายคนชั่วเป็นอันต ร, รายต่อการบรรลุธรรมฌานใช้ดับเวทนากล้าเมื่อมีอาพาธพระพุทธเจ้าใช้ดับเวทนาขณะใกล้เริดิญพานเท่านั้นขณะเริดิญพานก็ถอยออกจากฌาน และจึงนิพพานครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู่ในเมืองโกสัมพีแควนวังสักของพระราชาชื่ออุเทนอันว่าลาบสการะอันใหญ่บังเกิดแล้วแก่พระตถาคตเจ้ากับด้วยหมู่พระสาวกทั้งหลายอันมหาชนในเมืองมีพัดทั้งผ้าและยาเป็นต้นเข้าไปสู่วิหารถามแล้วซึ่งพระบรมาสดาด ถามแล้วซึ่งสาวกรูปนั้นรูปนี้ตลอดทั้งแ0สิบอสิติมหาสาวกยกเว้นพระเทวทัตไม่เคยมีลาบสการะพลางคิดหาว่าใครหนอจะยังให้เลื่อมใสได้ให้ยังลาบสการะให้เกิดแก่ตนคิดแล้วว่าอันว่าพระกุมารอา ช, ชาศัตรูผู้เป็นโอรสแห่งพระเจ้าพิมพิสารอย่างยาววัยยังไม่รู้คุณและโทษ จึงแสดงด้วยฤทธ์เหาะจากเมืองโกสัมพีไปยังเมืองราชคฤิเนรมิรเพศเป็นกุมา น, น้อยมีอสรพิษพันคอมือและเทา้าและพันเป็นมงกุฎบนศรีรษะเข้าไปนั่งที่ตักพระเจ้าอาชาสตรูสนทนาแล้วทำให้เลื่อมใสแล้วให้อุบายแล้วคบคิดแล้วว่าตนจกปกครองสง์แทนพระพุทธเจ้าและให้พระกุมารอาชาสตรูลงพระชนพระราชบิดา พระเทวทัตเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ในวิหารเวลุวันกับพระราชาพิมพิสารทูลขอปกครองสงฆ์เองด้วยอ้างว่าพระพุทธองค์เป็นผู้แก่เท่าแล้วขอจงประทับ พ, พักผ่อนเถิดครั้นถูกพระบรมศาสดารุกรานด้วยวาทะ ว, ว่าเป็นผู้กลืนกินปัจจัยราวกับน้ำลายทรงตรัสห้ามแล้วพระเทวทัตผูกอาฆาต วางแผนกลิ้งหินจากยอดเขาคิดจกูดเพื่อปลงพระชนระบรมศาสดาอย่างพระโลหิตให้ห่อปล่อยช้างนาลาคิรีให้ฆ่าซึ่งพระบรมศาสดาแต่ไม่สำเร็จแม้กระทั่งให้หนายขมังธนูเข้าไปฆ่าพระบรมศาสดาอีกก็ไม่สำเร็จกระทำกรรมอันหนักยิ่งแล้วครั้งหนึ่งเทวทัตเข้าไปทูลขอต่อพระบรมศาสดาให้ภิกษุปฏิบัติ ว่าให้อยู่โคนไม้ห้ามฉันปลาและเนื้อถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัดบินทบาตเป็นวัดตลอดชีวิตครั้นไม่ทรงอนุญาตก็ชักชวนภิกษุผู้บวชใหม่มีความรู้น้อยเห็นคล้อยตามมีประมาณห้าร้อยแยกออกไปกับพระเทวทัตพระบรมศาสดาตรัสห้ามแล้วว่าการทำลายสงเป็นกรรมอันหนักทรงตรัสแล้วซึ่งพระคด า, าว่า อันว่ากรรมทั้งหลายเหล่าใดเป็นกรรมไม่ดีด้วยไม่เกื้อกูลแก่ตนด้วยย่อมเป็นกรรมอันบุคคลรกระทำได้โดยง่ายอันว่ากรรมใดแลเป็นกรรมเกื้อกูลด้วยเป็นกรรมดีด้วยกรรมนั้นเป็นกรรมอันบุคคลกระทำได้โดยยากอย่างยิ่งอันว่าความดีเป็นกรรมอันคนดีกระทำได้โดยง่ายคนชั่วกระทำได้โดยยาก อันว่าความชั่วเป็นกรรมอันคนชั่วกระทำได้โดยง่ายคนดีกระทำได้โดยยากดังนี้เมื่อพระเทวทัตพาภิกษุผู้บวชใหม่ผู้เป็นโอรสของเจ้าวัดชีห้าร้อยรูปไปลาสุขยาศีรษะพระบรมศาสดาทรงส่งพระอัครส า, าวกทั้งสองไปเพื่อนำภิกษุทั้งหลายนั้นให้กลับ พระอ克拉สาวกทั้งสองพร่ำสอนด้วยอาเทศนาปาฏิหารด้วยด้วยอิทธิปาฏิหารด้วยอย่างภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้ดื่มแล้วซึ่งอมตะผากลับมาแล้วโดยอากาศพระเทวทัตถูกพระโกกาลิกะทำร้ายด้วยเข่าที่กลางอกถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตพระเทวทัตเป็นไข่ยอยู่เก้าเดือนใครเพื่ออัเฝ้าพระศ ส, สดาอ้อนวอนแล้วบ่อยๆกับสาวกของตน ภิกษุทั้งหลายหาเอาไปแล้วซึ่งเตียงน้อยพระเทวทัตนอนอยู่พระปรมาสสดาตรัสว่าเทวทัตจะไม่ได้เห็นตถาคตอีกรันภิกษุหาพระเทวทัตมาถึงสะโบขรณีพระเทวทัตยหยุดอยู่เพื่อจะส่งน้ำครั้นพอวางเท้าลงบนภากพื้นเท้าทั้งสองข้างไปแล้วสู่แผ่นดินค่อยๆเลื่อนลงไปแต่ข้อเท้าเข่าสะเอว นมคอโดยลำดับจนถึงกระดูกคางตั้งอยู่เฉพาะและบนภาคพื้นกล่าวเป็นคาถาว่าอันว่าเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้ยังนรอันพระองค์พึงฝึกให้ล่นไปผู้มีจักรุอันเป็นไปแล้วโดยรอบผู้มีพระลักษณะอันบังเกิดแล้วด้วยบุญร้อยหนึ่งว่าเป็นสารณะ ด้วยกระดูกคางทั้งหลายเหล่านี้ด้วยลมปราณทั้งหลายเหล่านี้ดังนี้อันว่าพระตถาคตเจ้าทรงเห็นแล้วว่าถ้าพระเทวทัตไม่ได้บวชไส่จะทํากรรมอันหนักจะไม่ได้กระทําซึ่งปัใจจัยในภพต่อไปครั้นบวชแล้วแม้จะกระทํากรรมหนักถึงอย่างนี้ก็ยังอาจกระทําซึ่งปัจจัยแห่งภพต่อไปจึงทรงให้บวชแล้ว เทวทัตเมื่อพ้นจากเวจีนรกในที่สุดแห่งกับแสนหนึ่งแต่พัทรกับนี้จะได้เป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าชื่อว่าอัติสระหมายเหตุผู้อ่านพระเทวทัตสำนึกผิดก่อนตายนะครับอันว่าเทวทัตนี้วิจัยจะทำผิดต่อตถาคตเพียงชาตินี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยทำผิดมาแล้ว เมื่อชาติหนึ่งเป็นบุรุษหลงทางในป่าพญาช้างยกขึ้นสู่หลังไปสู่ยังหนทางปลอดภัยยังกลับมาตัดงาพญาช้างได้ถึงสามครั้งถูกแผ่นดินสูบแล้วทรงตรัสขันติวาธีชาดกเทวทัตเกิดเป็นพระราชาชื่อกลาภุทำผิดต่อจุลธรรมปาละกุมานถูกแผ่นดินสูบแล้ว ทรงตรัสแล้วซึ่งพระคาถานีวา้ว่าอันว่าบุคคลผู้กระทําซึ่งบาปโดยปกติย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองอันว่าบุคคลผู้กระทําซึ่งบาปโดยปกตินั้นย่อมเดือดร้อนว่าบาปอันเรากระทําแล้วดังนี้ไปแล้วสู่ทุกคติย่อมเดือดร้อนยิ่งดังนี้ ข้อธรรมวิจัยอันว่าพระเทวทัตอดีตชาติต้นชาติหนึ่งเกิดเป็นพ่อค้าซื้อของเก่าในเมืองชื่อเสริวะพระพุทธเจ้าก็เป็นพ่อค้าซื้อของเก่าด้วยเป็นพ่อค้าบัณฑิตวันหนึ่งพ่อค้าตีราคาถาดทองเก่าใบหนึ่งของยายหลาในราคาต่ำแล้วหลีกไปโดยหวังว่าจะย้อนกลับมาเอาภายหลังด้วยจิตละโม่ ครั้นพ่อค้าบัณฑิตไปพบด้วยความสุจริตได้ให้ราคาสูงมากให้ทรับจนหมดทั้งตัวเหลือไว้เพียงค่าโดยสารเรือเดินทางกลับเท่านั้นฝ่ายพ่อค้าเทวทัตย้ยอนกลับมาไม่ได้ถาทองมีค่าแสนกะหาปณะแสนเสียดายและเสียใจแสนสาหัสได้ตั้งจิตจองซึ่งเวรกับพ่อค้าบัณฑิตมาแต่ชาตินั้นนี่เพราะการตั้งจิตไว้ผิดแต่แรกที่มีจิตคิดโลก ไม่ซื่อสัตว์สุจริตในการต่อมาตั้งจิตผิดอีกกล่าวคือคิดอาฆาตพยาบาทจองเวนต่อพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์อีกนับชาติไม่ท้วนจนถึงชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นเทวทัตพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนเลยแต่เวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวน เวนย่อมระ ง, งับได้ด้วยกำลังแห่งความอดทนระ ง, งับเวนด้วยกำลังแห่งความอดทนทำอย่างไรหลักแห่งการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นนี้เป็นกรรมเก่าจะห้าไ ม, ม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสให้ยอมรับกรรมเก่า มีแสดงในกรรมมสูตรและพึงโยนิโสมนสิการคิดพูดทำแต่ฝ่ายกุศลเพราะนี้เป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ที่นำเอาไปเกิดถ้ายิ่งดีขึ้นไปอีกเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมยอมใช้นีิกรรมเก่าให้หมดไปเสียดังเช่นพระพุทธเจ้าและเช่นพระโมคคัลลาถูกโจรทุบกระดูกแตก 2. มีสติรู้เท่าทันว่าอะไรกําลังปรากฏจับปัจจุบันขณะให้ได้ว่ามีแต่รูปกับนามเกิดแล้วก็ดับไปแล้วในโลกนี้ทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาเรื่องการเจริญสติต้องเพียรเจริญให้มากปัญญาจึงจะคมรับมือกิเลสได้ทัน 3. เวริชาดกกล่าวว่า คนมีเวรกันอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้นกับปีชาดกกล่าวว่ามีผู้คอยจองเวรอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้นเพราะการอยู่ในหมู่คู่เวรกันเพียงคืนหรือสองคืนก็เป็นทุกข์ 4. ทํทำบุญกุศลความดีนีวิบากกรรมเก่า มันอุทิ์บุญบ่อยๆเหมือนถากถางทางเดินการเดินทางย่อมสะดวกย่อมถึงที่หมายได้เร็วกรรมเก่าตามไม่ทันมันเติมน้ำใสไล่น้ำขุนเติมน้ำจืดไล่น้ำเค็ม